ถ <c oughs> ้ากันนั่งเงียบๆปรับภาชนะใจนั่งที่กล่าวมาเบื้องต้น <c oughs> ใจนี้เ <c oughs> ทียบเราก็เหมือนภาชนะที่ที่เราจะรองรับอาหารใส่อาหารอาหารก็มีหลายอย่างที่เราจะต้องรับประทานทั้งอาหารที่มีโทษทั้งอาหารที่มีคุณ มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยอาหารของใจก็เหมือนกันนะก็มีหลายอย่างอย่างไรเราก็ต้องปรับพาชนะจิตใจของเราให้ดีเราคัดเลือกแล้ววันนี้เราทุกคนคัดเลือกอาหารจะเปลี่ยนอาหารอย่างใหม่เพราะว่าเราอาหารอย่างเก่านั้นเราเคยกินมาจนจาเจก <c oughs> ินมาอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกขณะ ของจิตตั้งแต่รู้จักเดียงสาภาวะมาวันนี้เราทุกคนมาด้วยเจตนาดีจะมาเปลี่ยนอาหารใหม่เรียกว่าอาหารของธรรม <c oughs> เราจะทำทุกวิธีทางเพื่อจะให้อาหารที่ดีนี้เข้าไปสู่ภาชนะใจของพวกเราและเปิดใจไว้เราไว้แล้วเราก็จะพยายาม ทำความสะอาดภาชนะใจของตนเองเพื่อลองรับอาหารถ้าภาชนะใจของเราไม่สะอาดอาหารแม้จะเป็นอาหารที่ดีก็ตามเรานําภาชนะที่ไม่สะอาดไม่ทําความสะอาดเป็นภาชนะที่สกปรกมาจินมเออมาใส่ไปรับประทานกินแล้วก็อาจอย่างน้อยก็ทําให้ท้องเสีย มากกว่านั้นก็ทำให้เกิดเป็นโรคเป็นภัยทำให้ร่างกายทุกุรภาพรึกถึงขั้นตายก็มีเพราะอาหารการกินไม่ระมัดระวังนี่ก็เหมือนกันอาหารทางด้านจิตใจก็มีหลายอย่างมีหลายรสชาติเช่นเดียวกันปกติจิตใจของพวกเรา <c oughs> ก็กินอาหารอยู่ทุกวันนั่นแหละแต่มันเป็นอาหารที่ไม่มีพลัง เป็นอาหารที่ริดรอนพลังริดร้อนพลังใจของพวกเรากินแล้วจิตใจก็เกิดความทุกข์เกิดความเศร้าส้อยเงองไวเกิดความเดือดร้อนใจเราไม่ได้กํำลังใจบางทีใจก็หดหู่ใจก็ท้อถอยในต่อในต่อหน้าที่การงานหรือต่อการทําธุรกิจต่างๆเพราะเราได้กินอาหารไม่ดีรับแต่สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย เรียกว่าอาหารไม่มีพลังไม่ให้พลังงานไม่ให้พลั ง, กำ ล, งกำลังกาลังกายกาลังใจก็เกิดความรู้สึกอย่างนั้นนอนก็ไม่อยากจะลุกตื่นแล้วก็ทำให้เป็นเหนื่อยเพียๆเพราะไม่มีกำลังนั่นแหละทีนี้เราจะเปลี่ยนอาหารใหม่มากินอาหารของธรรมเราพากันมาวัดมา มาทนสถานทนี่วันนี้เรียกว่ามาจะมารับอาหารที่ดีไปกินไปรับประทานคือให้ใจได้รับฟังอัดฟังธรรมได้ทำทุกบุทุกประโยชน์ที่ครูบาอาจารย์พูดจะเป็นการให้พรก็ตามเป็นการพูดธรรมะแต่ประโยชน์ก็ตามถือว่าเป็นอาหารหรือเป็นยาที่เราจะต้องเก็บไว้รักษาไว้ ในตัวของพวกเราเป็นยาประจำตัวก็ได้ถ้าจะพูดถึงแง่หนึง่งก็ได้เป็นยาประจำตัวธรรมะทุกประโยคธรรมะทุกบททุกบรก็เป็นยาประจำตัวของพวกเรามีไว้ประจาตัวตอนนี้เรายังไม่เป็นโลกหรือมีโลกอยู่แต่โลกไม่กำเลิก เ, เราก็ยานี้ก็ยังไม่จาเป็นจะต้องใช้เท่าไหร่ แต่เราก็เจ็บไว้เราอย่าประมาทยาเราอย่าประมาทยาเราเห็นยามีคุณค่ามีประโยชน์ต่อร่างกายคือต่อการรักษาโรคเราก็พยายามเจ็บไว้ในตัวของพวกเราประจำตัวจะเป็นศีลห้าก็ตามเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาก็ตามเรียกว่าเป็นยาแต่ละชนิดชนิดที่ท่านแสดงไปว่า <c oughs> ทำทุกประเภทจะเป็นอธรรมบทใดก็ตามเพื่อจะเป็นนํามาเป็นอารมในการชิดการปรุงแก้แก้แกไขจิตใจของตัวเองก็เรียกว่าเป็นยาแก้หัวใจของพวกเราตอนนี้เราได้ยินได้ฟังธรรมบทไหนก็ตามเราอย่าพึ่งประมาทเราน้อมรับไว้เจ็บไว้ซึ่งเป็นธรรมของพระเจ้าเป็นยารักษาจิตใจของพวกเราให้เราเก็บรักษาไว้ในจิตใจของพวกเราเพราะตอนนี้ เรายังไม่เห็นความสําคัญของจะยาเรายังไม่เห็นความสําคัญของธรรมเพราะเรายังไม่เปลี่ยนดังที่ดังที่ยังไม่มีเหตุการณ์ดังนั้นเกิดขึ้นเราจะไม่ได้ใช้ธรรมเหล่านั้นมาชิดพิจนารณาหรือยานั้นเราไม่ไดเอามากินนะเพราะเราไม่โรคเราไม่กําเริบนั่นต่อเมื่อใดโลกเรากําเริ่มเหตุที่โรคจะกําเริ่ม มันมีอยู่แล้วแต่มันไม่กำเริบ ก, ก็เพราะไม่มีอะไรมากระทบคือมาประทุมามาประทุโลกให้กำเริบเหมือนกับมีเชื้ออยู่แล้วแต่ไม่มีมาอะไรมาทำให้แตกให้ระเบิดมันก็ไม่ประทุไม่ระเบิดมันมีประจำตัวของมันอยู่นี่โรกนี้ก็โลกก็ร่างกิตใจของเราก็มีโลกประจำตัวโลกอะไร โรคความโลภโรคความโกรธโรคคมความหลงโรคราคะปัญหาโรควัตจักรไอความเกิดแก่เก็บตายมีอยู่ประจําตัวของพวกเราทุกคนเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ตอนนี้โรคความโลภคมความโกรธความหลงไม่ประทุ ข, ขึ้นมามีอยู่แต่ไม่ระเบิดจนถึงขั้นน่าเกลียดก็อยู่ไปเพราะมีวัคซีนมียา มียากินเป็นคุ้มกันไว้เป็นยาเป็นคุ้มกันความไม่ให้เลยเถิดให้มันอยู่ในขอบเขตความพอดียาคือธรรมมีฤิธิ์อัตปะความเกรงกลัวต่อบาปสะดุ้งกลัวต่อบาปต่างๆรู้จักของเขาของเรานี้เรียกว่าธรรมเรามียาคือธรรมไปรักษาสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้แม้มีแต่ก็ไม่กำเริบเกิดอยู่ได้ไปวันวันไปนั่นแหละอยู่ได้ไปวันวั น, วนไปนี่เรียกว่า เรามียาประจำตัวมียาป้องกันตัวของพวกเราไม่ให้โรคเหล่านี้กำเริบออกมาทําลายจิตใจพวกเราให้ใจเราเป็นทุกข์นะมากกว่านี้มีเฉพาะแค่นี้ไม่เพิ่มมาอีกความทุกข์นะจากนั้นก็เราจะยาก็มีขั้นมีขั้นหลายขั้นไปอันนี้เป็นวัคซีนนิดหน่อยๆคุ้มกันจากนั้นก็เป็นยาเพื่อถอนรากถอนโคนนะ ยาเพื่อถอนลากถอนโคนก็มีเป็นกันขั้นขึ้นไปเรากินเป็นกันขั้นไปเราก็กินภาวนาไปเรื่อยทีนี้กินภาวนาคือกินการภาวนาทำให้จิตใจของเราได้รับความสงบร่มเย็นก็เรียกว่าโลกสงบตัวขึ้นมาพอโลกสงบตัวขึ้นมาเราจะถอนลากถอนโคนครูบาอาจารย์ของพวกเราอย่างองค์หลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงตาของพวกท่านก็สอนไว้ชัดเจนแล้วให้พิใช้ปัญญาพิจนารณาหาสาเหตุที่มากระทบหาสาเหตุที่เป็นหาสาเหตุเหตุที่จิตไว้ให้ความสําคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้สวยสิ่งนั้นงามสิ่งนั้นน่ารักใคร่หน้ากำลังหน้ายิ น, านดีหน้าพออกพอใจสิ่งนั้นเป็นของเที่ยงของกิรังของกิลังถาวรเ น, นี่ยท่านให้พิจนารณาให้พิจนารณาแต่ว่า ถ้าสิ่งไหนสวยก็ให้ถามกันว่าอะไรอะไ ร, อะไรเป็นของที่สวยอะไรเป็นสิ่งที่ให้ใครเป็นคนให้ความหมายว่าสวยว่างามนี่ท่านให้ถามอะไรมันสวยมันงามหนังสวยงามหรือเปล่าเขารู้ความหมายในตัวของเขาไหมและใครเป็นคนว่าสวยว่างามตัวหนังได้ว่าไหมนี่ก็ต้องถามกันไปนี่เนี่ยคือให้เราพิจารณาเรียกว่ายา ยาเพื่อจะแก้ความรุ่มหลงของพวกเราเพื่อถอนลากถอนโคลนนี่แหละกูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราทรมาก็เหมือนยาแต่ละชนิดพวกเราก็นำมาเก็บรักษาไว้เวลามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเก็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามีเรื่องมีราวต่างๆเกิดขึ้นมาในจิตใจของพวกเราทำให้ใจเรากระเพื่อมทำให้จิตใจเราไม่สบายเหมือนใจเรานี่ มันเหมือนกับมันอยู่ในคลื่นมหาสมุทรทะเลมันไม่นิ่งนั่นแหละมันอยู่ในคลื่นมหาสมุทรทะเลเดี๋ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาก็รานั้นแหละเป็นคลื่นของใจเป็นคลื่นของใจเรื่องนั้นดูเราใจ เ, เรื่องนั้นไม่ได้เป็นคลื่นหรอกแต่ใจพูดมาให้ความสําคัญมันหมายสิ่งนั้นหนัดว่าสิ่งนั้นไม่ดีคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ ด, นนมดีนี่แหละคือคลื่น ดัวที่ไปให้ความหมายเรียกว่ากิเลสในใจให้ความหมายสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นคนนั้นไม่ดีคนนี้วีนี่แหละเป็นคลื่นของใจทําให้ใจเป็นทุกข์แล้วก็มาทับถมจิตใจของพวกเรามาทับถมจิตใจพวกเราทําไม่ให้มองเห็นเศษ ส, สีแสงต่างๆสิ่งที่พระเจ้าทรงประกาศไว้ว่ามีเราก็มองไม่เห็นเพราะมีคลื่นหรือเรียกว่ามา ปิดบงังจิตใจของพวกเราให้มืดให้ดำไปเรื่อยนะมาชาบทาจิตใจของพวกเราแต่ละคนให้มืดให้ดำไปเรื่อยทําไม่มองไม่เห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงแนะนําสั่งสอนไว้แต่ว่าบาปก็ตามมีก็ตามพระบุตรเจ้าประกาศมาตั้งแต่วันตัดสรุปว่าบาปมีนะนะแต่พวกเราก็ไม่ทราบว่าบาปคืออะไรบางคนทําบาปก็ไม่ทราบวัตถุของเป็นบาปนะไปฆ่าสัตว์ ไปมีดฟันหัวเขาอย่างกบอย่างปลายเขาเจ็บเขาดิ้นตายมือมันกลุ้มหัวอยู่กุ้มก็ยังฟันมาจนตายนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหะมันไม่กลัวบาปนี่คนมืดคนหนามืดแบบนั้นทําบาปแต่ไม่เข้าใจว่าเป็นบาปนะนะทำบุญก็ไม่รู้จักว่าเป็นบุญมันมืดมันหนาอย่างนั้นไอ้คนมืดคนหนานั่นแหละไอ้แผ่นดินหนานี่มีประโยชน์มากทากลูกบ้านก็ไม่ค่อยสุดนะเจาะบะดานก็ได้น้ํา ขุดบ่อ ก, ก็ได้กินปลูกไม้ปลูกอะไรก็ได้กินน่นะคนหนาทําอะไรไม่ได้ปีกไม้หนาก็มาแปรรูปได้ทําอย่างอื่นได้หลายอย่างนะแต่คนหนานใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ทําประโยชน์อะไรไม่ได้มีแต่ก่อกวนความรลภคานหรือสร้างความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายให้โลกให้บ้านให้เหมืองให้ครอบครัวตนเองนะเป็นอย่างนั้นแหละ นี่แหละเป็นสิ่งมาทําให้จิตใจของเราเนี่ยมืดนหาดนาเข้าไปกิเลสทําให้เรามืดหนาก็ไปมองไม่เห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนบาปมีบุญมีนรกสวรรค์ผลวโลกตลอดถึงพระนิพพานมีเพราะคําว่ากิเลสนั้นต้องพยายามลิดหลอนมาลิดหลอนจิตใจของพวกเรามาลิดหลอนสติปัญญาของพวกเราที่จะให้คิดไปในทางที่ดีไม่ไนะมันจะพยายามลิดหลอนว่าสิ่งนั้นมีหรือเปล่าน้อบหนานแสกมา บาปจะมีจริงหรือเปล่าทำบุญจะได้บุญจริงหรือเปล่านั่นจะค่อยแทรกเข้ามาอย่างนั้นนั่นแหละนักเข้าหนักเข้าก็แทรกได้ที่เต็มที่แล้วก็ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่ว น, นันี่แหละตายแล้วแล้วไปน่นเพราะมันยึดอำนาจเรียกว่ามันมืดมิดแล้วมองไม่เห็นสีแสงอะไรพอยิบยิบยิบยั บ, ย บ, ยบในใจบ้างเลยนี่อันนี้พวกเราแม้มืดดำก็ามยังพอเห็นสีแสง มองไปเหมือนแสงหินห้อยในดงในป่ากังค่ำมลางคืนว่ายังมียังมีงมพอะอะไรมีสว่างอยู่นมีจุดมีต่อมมีอะไรยังสว่างยิบยิยิอยู่ให้เราเห็นบ้างนี่แหละ เ, ะเราจึงได้ มีความรู้สึกว่าบาปมีบุญมีแล้วก็อยากทําบุญให้ทานเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลสนับสนุสนจิตใจของพวกเราแนละมีความเชื่ออยู่ในคําสอนแต่เชื่อมากไม่มากนั้นก็มีเชื่อด้วยกันทุกคนเชื่อบาปเชื่อบุญนะั่มันก็ไม่มากละ่ะเพราะใจเรายังไม่สงบถ้าเราอยากให้มีความเชื่อมากเราต้องภาวนา ถ้าเราภาวนาจิตใจของเราได้รับความสงบร่มเย็นใจสงบลงไปลึกแค่ไหนมากมากก็ความเชื่อก็เชื่อลงลึกนะ่ะถ้าลงถึงจิตลึกจริงๆถึงน่นก็เชื่ออย่างลึกนะ่ะเห็นไหมถ้าเชื่อนิดนหน่อยก็อย่างที่เขาเรียกว่าจิตสงบเป็นคณิกะนิดนหน่อยเฉื่อยแล้วก็งตื่นขึ้นมาเอถอยออกมาถ้ามีเชื่อก็เชื่ อ, อไม่ตื้อไม่ลึกนะ่ะก็เท่าที่ความเป็นไปของกิตนี่แหละ ที่ที่คนที่ภาวนาหรืออย่างพระสุตดานท่านท่านได้กิจของท่านรับความสงบร่มเย็ยนแล้วท่านเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่สงสัยเรียกว่าตัดความสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยว่าบาปมีหรือไม่มีท่านเหล่านั้นท่านทราบพระในหลักพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติเป็นสิก ข, ขาบทบัญญัติไว้ว่าห้ามพระ ไม่ให้ไปขอของในตระกูลพระโสดาบันมาเชียวมาฉันมาใช้อะไรก็ตามห้ามไม่ให้ไปขอเพราะในตำรับตำราในปฏิเทศนียานั้นพระไปขอจนเขาไม่มีจนค้มหมดไม่มีอะไรเหลือจนเป็นคนจนผู้ที่ให้มา จนไม่มีอะไรเหลือเขาให้มาเขาไม่เสียดายเพราะพระตระบาหนึ่งท่านไม่เสียดายท่านเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมทําแล้วบุญกุศลนั้นเป็นของท่านจริงท่านกล้าให้นั่นแหละท่านไม่เสียดายนั่นแต่ท่านทําเอาสมบัติภายนอกไปแรกขอาสมบัติภายในเรียกว่าเป็นการสร้างบุญดังนกเต่าหมูกับภรรยาวันนี้ก็เรียกว่าเอาสมบัติภายนอกชักชวนบรรดาพี่น้องทุกคนที่มา เอาสมบัติภายนอกคือข้าวน้ํามาหาเงินทองมาแรกเอาสมบัติภายในคือแลกเอาความสุขเรียกว่าบุญนันเข้าสู่จิตใจของตอนเองเป็นที่สิ่งนําพาไปได้ในประเรศภพหรือในปัจจุบันนี้ก็นําไม่ได้นั่นเป็นอย่างนั้นนี่แหละ <c oughs> ท่านไม่เสียดายพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติห้ามไว้เลยห้ามไม่ให้ไปขอของในตระกูลพระโสดาบันถ้าเขาถึงเวลาเขาจะมาเขามาของเขาเอง เขาจะทําก็มาทำของเขาเองไม่ต้องไปขอท่านบัญญัติไปอย่างนั้นเนี่แหละพระพุทธเจ้าทำบัญญัติเนี่ยนี่ในเซในในเซปฏิเทศธได้จะในปฏิจจตารูปฏิเทศสัญญาเนี่ยนี่พรบัญญัติไว้เนี่ยไม่ให้ไปขอนี่แหละเพราะอะไรท่านยังกล้าทำอย่างนั้นเพราะท่านเชื่อกรรมน่นท่านท่านไม่สงสัยในคําว่าพระพุทธเจ้าน่นะ ท่านไม่สงสัยในคาว่าพระธรรมท่านไม่สงสัยในคาว่าพระสงฆ์ทไมท่านไม่สงสัยท่านภาวนาแล้วจิตของท่านมีความสงบพุทธคือผู้รู้ใจของท่านเป็นผู้รู้เองนัเห็นไหมมันเป็นอันเดียวกับใจคำว่าพุทธะหรือพุทโธพระพุทธเจ้าก็ดีนั่นเป็นอันเดียวกันกันกบใจเราเหมือนดังที่พรุทธเจ้าแสดงไว้ว่าอานุน์เอ ให้เราตั้งใจปฏิบัติเถิดมีสู่ปฏิบัติช่วยอย่นี้ปฏิบัติส้มีกิจบถถ้าเราปฏิบัติผ่านไปแล้วแม้จะมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่นะผู้ท่านผู้นั้นย่อมย่อมรู้ธรรมย่อมเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นย่อมเห็นเราสถาคตน่ะไม่คือไม่ไปไหนนั่นแหละเพราะใจสงบแล้วพุทโธพุทธะก็มาเป็นที่ใจเพราะใจเป็นผู้รู้นั่นคำว่าธรรมะ ใจก็เป็นผู้สงบเป็นธรรมเองก็เป็นก็เป็นที่ใจนะคำว่าสังขะเราก็เป็นผู้รักษาไว้สิ่งเหล่านั้นมีอยู่ในใจของพวกเราถ้าทำรรทั้งสานี้มารวมเป็นหนึ่งเดียวที่ใจเอโกธรรมโมเป็นใจอันเดียวนะันั่นแหละเป็นธรรมอันเดียวดูที่ใจนั่นแหละเป็นเอกเอโกเอโกเอกะไปไว่าเอกธรรมโมคือธรรมอันเดียวนั่นะดูที่ใจ นั่นแหละท่านไม่สงสัยในเรื่องพระพุทธเจ้าในเรื่องพระธรรมในเรื่องพระสงฆ์เพราะท่านรู้เห็นดังนั้นน่นท่านไม่เข้าสงสัยน่นท่านไม่สงสัยไม่เหมือนพวกเราลูบคําอยู่นั่นแหละท่านถือศีลท่านถือจึงไม่สงสัยไม่ลังเลสงสัยไม่ลูบไม่คําถือศีลก็ไม่ถือแบบศีลพัฒน์ปรมาทลูบๆคำๆขอแล้วขอเล่าขอซ้าๆซักๆขอแล้ว ทำลายเล่าดูอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะท่านรู้แล้วศีลคือคืออะไรรักษาศีลคือรักษาอะไรท่านรู้จักนั่นท่านจะว่าศีลเจตนาเสื้อเจตนาเจตนาเจตเจตนาขั้นพิฆเนศพิฆซี่หลังปรดามิดูก่อนพิกษูทั้งหลายแล้วว่าตัวศีลนั้นมีตัวเดียวคือตัวเจตนาคือใจนั่นคือรักษาตัวนี้แล้วคือทุกอย่างจบนะเอ๊ เอ่รักษาตัวนี้ไม่ให้คิดชั่วทุกอย่างจบไม่ให้โลคไม่โกรธไม่หลงไม่รักไม่ขโมยไม่อยากล่วงล้ำลูกใครเมียใครไม่อยากฆ่าไม่อยากอาฆาตพยาบามใครทําใจสงบแล้วมัน ท, ท, ทุกสิ่งแต่ฟังแล้วมนะันสบทุกหนทุกสิ่งแต่ิงเหล่านั้นมันสงบตัวเข้ามาหมดนั่นมันก็เวแล้วนีคือมันเว้นจากการสร้างภายัยสร้างเวนจากคิดภยัยคิดเวนเองขึ้นมาโดยอัตโนมัติของมันจากเราภาวนาพุทโธเข้าใจไหมนั่นแหละ ท่านไม่สงสัยหนึ่งสีรัประตาเปรมาตถือศีลก็ถือแบบถึงจิตถึงใจสองไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าหนึ่งไม่สงสัยในพระธรรมไม่สงสัยในพระสงฆ์เพราะท่านปฏิบัติป่าท่านไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้ามีตัวมีตนจริงหรือเปล่าได้ตัดสู้ธรรมจริงหรือเปล่า พระธรรมที่พระองค์ท่านแสดงนั้นเป็นมีจริงหรือเปล่าและเป็นพระธรรมที่ยังผู้ปฏิบัติตามให้พ้นผดผ่านจากทุกข์ได้จริงหรือเปล่าท่านไม่สงสัยเพราะใจท่านเป็นนั่นท่านท่านไม่สงสัยเพราะท่านเปลี่ยนที่ใจของท่านและปฏิเสธไม่ได้ใครมาลบบอกว่าอย่าไปเชื่อมันไม่ถอยนั่นเพราะมันลงลึกแล้วนี่มันถอดถึงรากถึงโขนแล้วมันถอนตัวไม่ขึ้นนั่นแหละพระสตตานุบัตท่านจึงไม่กล้าทําบาปในที่รับที่แก้ง นะั่นอยู่คนเดียวก็ตามสองคนสมคนก็ตามไม่กล้าทำบาสนั่นะท่านรู้ท่านมีเิลิมีความละอายมีอุตรปะคือเกรงกลัวต่อบาปสะดุ้งกลัวต่อบาปตัว อ, อย่างนั้นนั่นะท่านเป็นคนบางเบาบางขึ้นมาอีกแล้วไม่เหมือนพวกเราพวกเราเนี่ยมันหนามันไม่กลัวไม่สะดุ้งกลัวอะไรมาถูกก็ไม่สะดุ้งเพราะมันหนานั่นแหะนะนะอันนั้นท่านบางแล้วท่านสะดุ้งกระจกไหม อะไรมาถูงหน่อยท่านก็นสะดุ้งแล้วนั่นนะมาเห็นหน่อยก็สะดุง้งไอ้พวกเรามันหนาอะไรมาถูกก็ไม่รู้เรื่องมันด้านนั่นแหละหนึ่งตัดความสงสัยจะได้ 2. อ, อี่รับพระธรรมที่รู้วิมขำเศษไม่ถือจริงจังแล้วเถนี่สามนี่จีกิจฉาความลังเลสงสัยในพระธรรมวินัยไม่มีอุทจฉากูขจ่าเนี่ย วัตถุจักคือความฟุ้งของใจเอ้ย hey, hey, hey, ความฟุ้งของใจก็ไม่มีกูกิจักความลาคาญในกิจใจก็ไม่มีนั่นเห็นไหมความลำคาลในกิจใจก็ไม่มีทิฏฐิท่าความง่วงเหงางอหนอนก็หมดไปนี่แหละพวกเราถ้าจะภาวนาก็กลัวตื่นทํางานไม่ทนันกลัวเหนื่อยกลัวล้าที่จริงมันไม่ใช่นะถ้าเราภาวนาเนี่ยสติเราดีนั่งภาวนาเนี่ยมัน ไ, ไม่ไม่นอนเนี่ย ไม่ถึงชั่วโมงสี่ยี่สสิกว่านาทีนี้เรถึง ม, มันก็สดชื่นแล้วนะถ้ามันได้พักถ้ามันจิตสติเราดีจิตใจเราดีนะมันก็ไ ม, ไม่ไม่นานนะไม่หนากอะไรคือร่างกายเนี่ยมันไม่ต้องาก่อนนอนมากอะไรนะมันก็พอ ร, รู้จักความต้องการพักผ่อนเมื่ออาหิกาเนี่แหละมันก็ไม่ต้องการการินมากอะไรร่างกายมันไม่ต้องการมากอะไรแต่เรากินเที่ยวกินจนเอาพระพุทธเจ้าสอนว่าโพชนเมนมตรัญยุตตาเรายัดเต็มอัตตา มันเลยต่างกันมันเลยผิดกันกันกบคําสอนท่านท่านสอนพระมัตตันจุตนาเรายัไปิอิเอมตมตาเนี่แหละจินแล้วก็ไปหลับไปนอนเป็นโรคเป็นภัยอาหารเนี่ยเขาให้พลังงานจินแล้วก็ให้พลังงานจินแล้วต้องไปทํางานอย่างครูบาอาจารย์ท่านสอนเน่ยฌานแล้วต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมให้มันเาผาผลาญนั่นแหละคนจะไม่ค่อยมีโรคมีภัยระบบขับถ่ายก็ดีท้องก็ไม่ผูกเนี่ย โอกาสเกิดโรคเกิดภัยก็ยากเนอย่างนั้นแหละอย่างหลวงปู่อ่อนก็เหมือนกันท่านสอนยินมากให้จะกินมากก็ไม่เป็นไรกินมากให้ทํามากถ้ากินมากนอนมากดอกไปจะไม่มีกินหลวงปู่นใตอนนั้นแต่หลวงปู่อ่อนกับหลวงปู่ฟั่นท่านได้ทําเหมือนกันท่านไม่ให้ผ้าเนรอดข้าวไม่ไม่เมินล้มตาล้มตาได้อีกคนละแบบหลวงปู่ฟั่นกับหลวงปู่อ่อนหลวงปู่มั่นทรมานในการนอน ในการอดนอนไม่ไม่ได้อดข้าวนะพระเนรที่ว่าใครอดข้าวท่านจะไปเรียกมาลุงปู่ฟันอย่าให้ไปอดเป็นโรคกระเพา ะ, นะ่จินคำหนึ่งก็ยังดีเนะี่ยคือนะคือท่านไม่ให้อดข้าว่นะแต่อย่าง้องตางท่านพูดเรื่องอดข้าวเพราะท่านได้ได้ธรรมะจากอดข้าวนั่นะได้ต่างกันอันนี้ก็เป็นปฏิปทาของครูอาจารย์แต่และองค์คือไม่เหมือนกัน จะให้เหมือนกันไม่ได้แต่ผลของท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนกันแต่เราจะเอาเรื่องการดําเนินมาที่จะให้ถึงจุดนี้เป็นเหมือนกันก็ไม่ได้อย่างหลวงพ่อทุกเกียรติมาทางกูด จ, จับท่งว่าพูดเรื่องมาเส้นทางโน้นนี้ไปอย่างนี้เรามาทางนี้เราก็ต้องพูดอย่างนี้จะพูดเหมือนกันไม่ได้เพราะมันมาคนละเส้นทางอย่างอาจารย์เยาก็มาทางวงคูก็มาทางนี้นะก็มาเจอเคขื่อนเจออะไรก็ว่าไปนี่มันก็มีของท่านนะมันมาคนละทาง จะให้เป็นเหมือนกันไม่ได้แต่ความต้องการว่ามาถึงเวร์ดนาแล้วคือพูดเหมือนกันนี่แหละให้เราเข้าใจวันนี้ก็พูดธธรรมะเล็กน้อยเพีองเพื่อกระตุ้นใ จ, นใจบรรดาพี่น้องทั้งหลายนะขอให้นําไปคิดวิจารณและอย่าลืมพุดโธพุดโธรเนี่ยขันน็อตใส่ใจเลยนะทุกคนขันน็อตใส่ใจไปเลยตึงน็อตไปเรื่อยมาวันนี้ก็ว่าะตึงตึงนอ็อต ไม่ให้มันหลาหลวมออกมาขันเข้าไปแั่แหะไอ้คณะใส่ใจแต่ยัให้พออาจารย์ัะเงินละพอนะก็การ <c oughs> <c oughs> <c oughs>